คนจิตใจอ่อนไหวเป็นทุกข์ง่ายกว่าเป็นทุกข์หนักกว่าและเป็นทุกข์หายช้ากว่าคนจิตใจหนักแน่นเป็นทุกข์ยากขึ้นเป็นทุกข์เบาบางกว่าและเป็นทุกข์หายเร็วกว่าผลดีส่วนหนึ่งของสมาธิคือเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นสามารถเห็นความไม่เที่ยงของใจที่หม่นหมองภายในเวลาไม่กี่อึดใจไม่ใช่ยืดเยื้อจนอ่านไม่ออกว่า มันเริ่มตอนไหนหรือหายไปเมื่อใดแน่และเมื่อเห็นความไม่เที่ยงง่ายก็สบายสบายที่จะเห็นมันไม่ใช่ตัวเดิมไม่มีทุกหรือสุขไหนเป็นตัวเราจริงจะมีสมาธิได้ไม่ใช่เกรงกำลังภายในไม่ใช่บังคับใจให้นิ่งไม่ใช่ยึดสุขไว้หวงสุขไว้กอดสุขไว้แต่ต้องปล่อยให้เป็น ใจคนรู้จักปล่อยอยู่แค่สองอย่าง 1. คือปล่อยผิดผิดคือคิดปล่อยเลยตามเลยเรื่องมีให้เศร้าเท่าไรก็ปล่อยใจไปคว้ามาอมไว้ทั้งหมด 2. คือปล่อยถูกทางคือปล่อยวางไว้ตรงนั้นเรื่องมีให้โศกแค่ไหนปล่อยใจให้วางไปทั้งหมดณจุดเกิดเหตุไม่หลงยึดเอามาขึ้นเตียงนอนด้วย ปล่อยเป็นปล่อยถูกทางแล้วเมื่อหลับตาทำสมาธิแม้ฟุ้งก็ปล่อยให้ฟุ้งอย่างรู้รู้ว่าฟุ้งมากที่ลมหายใจก่อนได้ก็ฟุ้งน้อยลงที่ลมหายใจนี้ได้รู้ว่าสงบที่ลมหายใจนี้ได้เดี๋ยวก็ไม่สงบเลยที่ลมหายใจหน้าได้ไม่ยึดความนิ่งเป็นคะแนนบวกไม่ยึดความฟุ้งเป็นคะแนนติดลบ แต่ให้คะแนนสติที่สามารถรู้ทั้งนิ่งทั้งฟุง้งนณะขณะที่ปรากฏอยู่เห็นเป็นธรรมดาที่มันกลับไปกลับมาได้ตัวสติที่ไม่หลงยึดและไม่หลงแล่นตามนั่นแหละคือสิ่งที่จะปรุงแต่งจิตให้หนักแน่นเป็นสมาธิในที่สุด